ว, วิธีสะกดจิตตนเองเพื่อใช้ในการรักษาโรคซึ่งหลวงพ่อศึกษาจากดรไมเคิลแฟรงฟอร์ดและเขียนบันทึกไว้สะกดจิตดูกายสลายโรคแบบวิธีการฝึกสะกดจิตโดยอาจารย์ไมเคิลแฟรงฟอร์ด กดเริ่มต้นจับแรสะกดจิตด้วยมือขวายกให้ได้ระดับตาลืมตาปกติเพ่งจุดที่มีแสงและมีเงาและพูดกับตัวเองว่าฉันจะตั้งใจสมาธิให้ดวงจิตของฉันนอนหลับเป็นสมาธิสติผวังฉันเอาของวิเศษของฉันซึ่งมีแสงและมีเงาให้ตัวฉันดูเมื่อฉันได้ดูอยู่สักครู่หนึ่งแล้วดวงจิตของฉันจะนอนหลับเป็นสมาธิ สติผวังหลังจากนั้นเพ่งดูสองนาทีพูดต่อบอกตนเองว่าหลับเสียหลับหลับแล้วหลับตาลงพูดต่อไปบัดนี้ดวงจิตของฉันนอนหลับเป็นสมาธิสติพวังแล้วฉันจะเอาตัวของฉันกับดวงจิตของฉันเอาติดต่อกับดวงจิตที่สองของฉัน ซึ่งมีสมาธิสติปัญญาเหมือนกับตัวของฉันเดี๋ยวนี้ฉันได้อยู่กันสองต่อสองกับผู้ช่วยแห่งดวงจิตของฉันแล้วยังมีดวงจิตอีกดวงหนึ่งเป็นดวงจิตอิสระซ่อนอยู่ภายในตัวของฉันเขามีฤทธิ์อิทธิพลมีอำนาจสำหรับบังคับดูแลและใช้เครื่องจักรกลกลทุกส่วนภายในร่างกายของฉันเขาจะทาธุระให้แก่ฉันตามที่ฉันปรารถนาทุกประการ เดี๋ยวนี้ฉันได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองกับดวงจิตอิสระฉันจึงขอตั้งชื่อดวงจิตอิสระให้มีชื่อว่าเอ่ยชื่อของท่านเองในที่นี้หลวงพ่อใช้ชื่อพุทธฉันจึงขอตั้งชื่อดวงจิตอิสระให้มีชื่อว่าพุทธเช่นเดียวกับตัวของฉันบัดนี้ดวงจิตอิสระได้เป็นชื่อเดียวกันกับตัวของฉันแล้วโดวยเหตุนี้ ฉันจึงใช้วาจาทิพย์ของฉันเข้าเตือนดวงจิตที่สองของฉันซึ่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับดวงจิตอิสระและตัวฉันด้วยให้เขามีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันรักษาตัวฉันให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บทุกอย่างที่ฉันเป็นอยู่คือโรคให้ระบุชื่อโรคที่เป็นอยู่รักษาตัวฉันให้หายจากโรคภัยแคเจ็บทุกอย่างที่ฉันเป็นอยู่ ให้หายไปทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดจะหายขาดทำให้ร่างกายของฉันแข็งแรงอ้วนทีมีกำลังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนนับร้อยปีโรคที่ฉันหายแล้วฉันจะไม่กลับเป็นอีกเพราะว่าเส้นประสาทกลางของฉันมีกำลังไฟฟ้าแรงกล้ามากทำธุระให้แก่ฉันอย่างสงบเสงี่ยมไม่ฟุ้งซ่านทาธุระให้กับสมองของฉันอย่างเดียว สุดแท้แต่สมองของฉันจะใช้ไปเส้นประสาทฝอยของฉันซึ่งติดอยู่ตามผิวหนังนับจำนวนแสนแสนก็ได้รับอำนาจไฟฟ้าจากเส้นประสาทกลางมีอำนาจไฟฟ้าอย่างแรงสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆในร่างกายให้หมดไปโลหิตขาวก็ช่วยกันฆ่าเชื้อโรคและส่งความรู้สึกให้กับสมองของฉันอย่างเร็ว กับเส้นประสาทอื่นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดําของฉันก็มีฤทธิ์มีอิทธิพลเป็นอันมากยังได้ติดต่อกับหัวใจอันมีฤทธิ์ของฉันหัวใจอันมีฤทธิ์ของฉันก็ทําหน้าที่สูบฉีดโลหิตแดงทุกหยดเข้าไปเลี้ยงร่างกายของฉันทุกส่วนให้ทั่วถึงโดยไม่ขาดตกบกพร่องทําให้ร่างกายของฉันแข็งแรงมีผิวพันธุ์ผุดพอง สะอาดผ่องใสยอยู่เสมอตับของฉันก็แข็งแรงมากทาหน้าที่แยกเก็บอาหารอันบริสุทธิ์ไว้สำหรับเลี้ยงร่างกายส่วนไในขาดเข้าแทนที่อยู่เสมอทําให้ร่างกายของฉันแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่เสมอปอดของฉันทั้งซ้ายและขวาก็แข็งแรงมากทาหน้าที่ร่วมกันกับหลอดลมของฉัน หลอดลมก็แข็งแรงมากรวมกันกันกบปอดสูตรอากาศออกซิเจนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยวิตามิน A, B, บ D, E, I ดีออชีวิ ญ, ญญาณอันบริสุทธิ์เข้าไปเลี้ยงร่างกายของฉันอยู่เสมอทำให้ฉันรับประทานอาหารได้นอนหลับเป็นสุขมีสุขภาพพลานามัยเข้มแข็งส่วนแก๊สที่เสียชื่อคาร์บอนไดออกไซด์ก็ขับออกทิ้งเสีย สุดอากาศอันบริสุทธิ์เข้าไปแทนที่ทุกคราวไปธาตุและน้ำย่อยอาหารของฉันมีฤทธิ์เป็นอันมากทาธุระร่วมกับปากฟันอันมีฤทธิ์ของฉันปากฟันอันมีฤทธิ์ของฉันเคี้ยวบทอาหารให้แหลกละเอียดไม่ว่าจะเหนียวแข็งสักเท่าไหร่ตับอ่อนของฉันก็ทำธุระช่วยย่อยอาหาร และพาน้ำย่อยในดีในม้มต่อมน้ำและกรดมีซีโอติกและปแปปซินย่อยอาหารให้มีความสุขความสบายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหลอดลมของฉันก็มีฤทธิ์มีอิทธิพลเป็นอันมากทำธุระในทางอาหารที่ย่อยบ้างแล้วไปในกระเพาะลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ทำงานย่อยอีก ส่วนกากอาหารที่เป็นน้ำไตของฉันหนังกําพรราของฉันก็กรองกลั่นเป็นเบาออกเสียส่วนกากอาหารที่เป็นอุจจาระที่สำหรับขับก็ขับออกทิ้งเสียมีให้เหลือค้างอยู่ได้ฉันจะไปอุจจาระทุกเช้าทุกวันมีให้ขาดไม่ให้ขาดที่ชุมนุมแห่งสติปัญญาของฉันก็มีฤทธิ์อิทธิพลเป็นอันมากฉันมีปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวมาก สามารถรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้อย่างถูกต้องแม่นยำสติปัญญาว่องไวัยมากฉันมีปฏิภาณโวหารไวพริบเฉลียวฉลาดมากดวงจิตมีสมาธิสติปัญญาฉลาดรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันมีปัญญาดีวิเศษเกิดขึ้นมากทุกวินาทีที่ชุมนุมแห่งร่างกายของฉันเป็นมหาเสน่ห์ในทางสังคม ฉันเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนทั่วไปไม่ว่าเด็กหนุ่มเท่าแก่สาวพระราชามาหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพาลตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนตลอดพ่อค้าประชาชนทุกชาติชั้นวรณนะจะมีความรักความเมตตาปราณีต่อฉันเหมือนลูกเกิดจากอุทธรหรือมากกว่านั้นพูดผีปีศาจเทวดาอินพรมยมยักษ์ จะรักใครเมตตาต่อฉันอย่างมากไม่มีใครคิดทำร้ายฉันเลยที่ชุมนุมแห่งร่างกายของฉันเป็นมหาสเสน่ห์ในทางเศรษฐกิจฉันจะร่ำรวยอยู่เสมอเงินทองเข้าของเข้ามาทุกวันสำหรับเลี้ยงตัวฉันและชนบริวารให้มีความสุขความสบายไม่เดือดร้อนขวัญวิญญาณดวงจิตของฉันก็มีฤทธิ์อิทธิพลเป็นอันมาก จึงได้ติดต่อกับเจตพูดและแอสลัมบอดี้คือร่างกายที่สองของฉันอยู่เสมอมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยระวังดูแลรักษาตัวฉันอยู่เสมอทำให้ฉันมีความสุขสบายไม่มีจนกระทั่งโจนผู้ร้ายศัตรูมารบกวนกลัวเกรงอำนาจฉันอย่างมากที่สุดแมนกูเปาเวอร์ซึ่งรักษาตัวฉันอยู่ทุกขณะจะช่วยให้ฉันสำเร็จความปรารถนาทุกๆุกคราวไป เพราะว่ามีฤทธิ์มีอำนาจที่จะเรียกร้องเอาตามความปรารถนาของกฎธรรมชาติที่ได้ประทานให้ไว้ทุกคราวตลอดไปร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยอาการ32คือผมได้แก่สิ่งที่เป็นเส้นๆ้นเกิดอยู่บนสีสักเมื่ อ, อยังน้อยก็มีสีดำแก่มา ก, ก็เป็นสีขาวงอกประโยชน์ของผมมีไว้ประดับกายให้ครบอาการ32 และป้องกันเย็นหนาวร้อนขนเป็นเส้นๆ เ, เกิดอยู่ทั่วร่างกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าประดับกายให้ครบอาการ32รูขุมขนเป็นท่อระบายสิ่งโสโครกออกจากร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงนักขาคือเล็บเกิดอยู่นิ้วมือนิ้วเท้าทั้ง20นิ้วเป็นสิ่งช่วย ให้หัวนิ้วมือแข็งแรงใช้หยิบจับอะไรได้ถนัดและเป็นเครื่องประดับกายให้ครบอาการ32ทันตาคือฟันทันตาหรือฟันคือกระดูกเป็นซี่ๆเกิดอยู่ในเหงือกข้างบนข้างล่างใช้เคี้ยวบดอาหารให้แหลกละเอียดนำไปเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงอ้วนทวนสมบูรณ์มีกำลังมากมาย ตัดโจรหรือหนังคือสิ่งที่ห่อหุ้มอยู่ทั่วร่างกายมีประโยชน์สำหรับกันสิ่งโสโครกไม่ให้ไหลเลอะออกมาข้างนอกป้องกันเลือดหนองให้ขังอยู่ภายในไม่ให้ไหลออกมาข้างนอกมังสังหรือเนื้อคือสิ่งที่เป็นกล้ามมีอยู่ในร่างกายเป็นสิ่งที่เสริมร่างกายให้เต็มบริบูรณ์และดูดซับน้าไวเลี้ยงร่างกาย ให้มีสัดส่วนสมบูรณ์ตามธรรมชาติของร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชามากมายหนาหารูเอ็นเป็นเส้นสายรัดเรึงกระดูกและเนื้อให้ยึดติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเสริมให้ร่างกายมีความแข็งแรงมีกำลังแข็งแรงมากอัถิหรือกระดูก อัฐิคือกระดูกเป็นท่อนๆประกอบกันเป็นโครงสร้างของร่างกายเหมือนเหล็กโครงคอนเหมือนเหล็กโครงคอนกรีตอาศัยการยึดติดแน่นจากเอน็นเนื้อทำให้ร่างกายแข็งแรงคงทนต่อการรับน้ำหนักในการเดินยืนและแบกคนสัมภาระต่างๆอย่างแข็งแรงอัธิมิจฉังเยื่อในกระดูกหมายเหตุจากหนังสือ หลวงพ่อบันทึกค้างไว้เพียงเท่านี้